กลับนมนต์พระอาจารย์มัฒนาชัยแสดงธรรมครับข อ, อน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนประย์โอกาสเพื่อนสนอทธรรมิกท่านเจริญธรรมแม่ชีระยะที่รม ท, ท, ทุกท่านเนาะวันนี้เราก็าบางท่านหรือหลายๆท่านก็ตั้งใจไปปลูกป่าที่ปูหลงเนาะ การปลูกป่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าปลูกในช่วงฤ ด, ดูเขา้าพรรษาเป็นช่วงที่ฝนตกอยู่ประจําเพราะว่าจริงๆแล้วการปลูกเนี่ยมันต้องต้องอาศัยน้ําเนาะถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีน้ําำต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ไม่กี่วันก็ตายเพราะว่าแดดแดดก็ร้อนจัดเนาะแต่ถ้าปลูกไปแล้วนะมีมีฝนตกอยู่ ยิงถ้าตกบ่อยๆนะต้นไม้มีโอกาสรอดแต่ถ้าตกบ้างหยุดบ้างหรือตกแล้วไม่หยุดไปนานๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่รอดเนี่ยเพราะนั้นอการที่จะปลูกหรือไม่ขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยฟ้าฝนเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราก็คงไม่มีอโอกาสที่จะไปรดน้ำเขาเองแต่ถ้าเราเราปลูกในบริเวณที่ดินของเราหรือบริเวณบ้านเราเองอเราก็มีโอกาสได้รดน้ําบ่อยๆเนาะ ลดน้ำไปบ่อยการที่เรามีโอการลดน้ำเข้าไปบ่อยนะนะั่นแหละโอกาสที่เขาจะรอดก็มีอยู่เยอะเพราะว่าเราอาลดน้ําได้เป็นประจำนะอาจจะทุกวันหรือหลายๆวันครั้งหนึ่งก็ยังรอดได้แต่ถ้าไม่ได้ลดเลยก็จะไม่รอดเนาะเนะี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราอมาเจริญสติเหมือนกันเนาะก็คือเราต้องฝึกไบ่อยๆนะต้องทําปบ่อยอ่านะ ทำห้บ่อยอยู่เป็นประจำนะทําทุกๆวันหรือทําตลอดทั้งวันนะทําต่อเนื่องกันทุกๆวันเนี่ยจิตสติ ก, ก็จะเจริญเติบโตบางทีอาตมาก็ไปอบรมตามข้อต่างๆวันสุดท้ายก็จะบอกว่าเนี่ยเหมือนกับให้ตนกล้าไปกลาบตนแล้วนะอะ่ถ้าเรากลับไปบ้านนะเราไปวางไว้เฉยๆเนะี่ยจะเป็นอย่างไรนะวางไว้เจ็ดวันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมันเลยเป็นอย่างไร อเขาบอกว่าต้องตายนะตายแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องทําอย่างไรก็คือไปลงพื้นดินนะลงดินแล้วก็ลดน้ําเรื่อยๆเี่ยเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นมาเองนะถ้าเราลดน้ําทุกวันหรือลดนะตามที่ความจําเป็นเขาก็โตของเขาได้อยู่แล้วนะต้นไม้ที่มันยืนต้นนะลดไปเรื่อยๆอีกหน่อยเพราะเขาโตเราก็ไม่ต้องลดแล้วเขาก็หากิน่าของเขาได้เองเราก็ไม่ต้องลดแต่ระยะใหม่ๆนะใหม่ๆเนี่ย ต้องช่วยเขานะไม่เคยไปปล่อยทิ้งไว้น่ะหรือลดแค่ครั้งเดียวเนี่ยเขาก็ต้องตายเนี่ยมาแต่เราต้องลดจนว่าเขาสามารถที่จะลากเนี่ยลงไปหากินในพื้นดินได้เองเนี่ยเขาก็ไม่ตายแล้วเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> บางคนอ่ามาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดน่ะหรือว่าอ่าฝึกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ยยต้องกลั บ, ลบไปนําอำปฏิบัติต่อที่บ้านเนี่ยมาต้องไปฝึกเองทุกๆวัน จริงๆแล้วเนี่ยฝึกทุกวันมันไม่ยากหรอกใช่ไหมปุ๊บเจ้าบอกเราว่ายืนเดินนั่งนอนใช่ไหมอีบัตใหญ่ก็ยืนเดินนั่งนอนจริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วนะในการตรงเนี่ยเพียงแต่เราไม่ได้กลับมารู้ว่าขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสิ่งเราต้องทําในอีบัทั้งสี่อยู่แล้วไม่อีบัตใ้อย่างอีบดหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเหลยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังอ่คู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังคาติ ดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจารปัสสวะอันนี้ก็คืออยู่ในชีพิตปจจุบันของเราอยู่แล้วพเพียงแต่ว่าเรากลับมารู้ไหมกลับมารู้ไหมขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยแค่กลับมารู้เท่านั้นเองนะมันก็เป็นการที่เรียกว่าเจอเรื่สติแล้วเพราะว่ากลับมารู้ในปัจจุบันมีกายทำอะไรนะตรงเนี้ยกลับมารู้กายแล้วก็จะไปสังเกตใจิตใจได้เนาะขณะนี้เมื่อเราลดน้ำไปเรื่อยๆมันก็โตแล้วนะต่อไปเขาก็จะให้ล่มให้เงา ให้ความร่มเย็นเราอยู่ใต้เงาของต้นไม้มันจะไม่เหมือนกับอยู่กลางแดดนะมันจะมีความร่มเย็นมีความสุ ข, ขว่าถ้าไปอยู่กลางแดดมันก็มีความร้อนนะมีมีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์เนี่ยอาศัยร่มเงาของต้นไม้ให้ความร่มเย็นกับเราได้ฉันได้จิตใจไม่มีสติแล้วนะมันก็มีความร่มเย็นมีความสุข ไม่มีความทุกข์ได้ฉันนั้นนะเพราะว่าสตินี่แหละอ่าเขาก็จะนําำความลมเย็นมาสู่จิตใจเราแต่ใหม่ๆเราต้องฝึกให้เขาดีซะก่อนเนาะนะคราวนี้ต้นไม้เนี่ยก็มีอยู่ประเภทอมันก็ต้นไม้ในจริงๆมันต้องการแสงแดดต้องการแสงแดดถ้าต้นไม้ที่อ่ต้องการแสงแดดนะถ้าอยู่ยกลางแจ้งเนี่ยเขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาได้แสงแดด ด, ด้วยไปสั่งข้อแสงนทําให้เขาเนี่ยอ่าเติบโตได้ไวเติบโตได้เร็ว ถ้า ต, ต้นไม้ชนิดเดียวกันที่ต้องการแสงแดดไปอยู่ในร่มนะอยู่ในร่มต่างๆเนี่ยก็จะโตช้ามากเลยบางทีปลูกต้องหลายปีต้นเล็กนิดเดียวนะหรือไม่ก็อาจจะไม่โตเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าอา่าเมื่อเราเจริญสติแล้วนะถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีแดดนะเช่นอยู่ในที่สงบสงบไม่ได้เจออะไรนะอยู่เช่นอยู่ในวัดนะหรืออยู่ในบ้านเราไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบอา ร, รมณ์ในชะ่ไหมไม่ได้กระทบอารมณ์ก็เหมือนกันเรา เราเราเราซ้อมมวยนะซ้อมมวยในบ้านเนี่ยเราก็เตะกระสอบทรายโชกกระสอบทรายโอ้มันเก่งนะชกเข้าทั้งวันมันทําอะไรเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราเก่งนะเนะี่แต่บางทีพอไปข้างนอกปุ๊บนะ่นะไปกระทบอารมณ์บ้างเนี่ยเหมือนกับเราเจอนักมวยจริงๆนะชกปุ๊บเราเราหลบไม่ทันโดนกระโชกนี่เราก็น็อกเลยนะหรือว่าทนไม่ไหวนะหลบหลบไม่เป็น โดนโชคมาทนไม่ไหวแล้วก็น็อกตนะู้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เราก็เป็นต้นไม้เล็กๆมันไม่โตสักทีนึ่งใช่ไหมหลวงพ่อหลวงม่เทียมาว่าเนี่ยต้องออกไปนะไปโชคกันงวยจริงๆนะให้เขาชคบ้างนะแล้วเราชกตาก็เลยนะอช่ไหมเราต้องไม่เจอนังมวยจริงๆนะถ้าเราเจอนังงวยจริงเหมือนกับเราต้นไม้ต้นไ ม, นไม้ที่อยู่กลางแดดนะมันก็ต้องเจอกับแดดเจอกับลมเจอกับฝน เจอกับสิ่งต่างที่จะเข้ามาผจนกับตัวเองแล้วถ้าเขาทนได้เขาก็โตัวโวตวเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญสีนะเราออกไปกระทบอารมณ์เนี่ยมันดีเออกไปแล้วเจออารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงลาค ะ, ะการอิจฉาการถึงหัวงการน้อยใจการเสียใจการกระทบต่างๆที่ตามมาถ้าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันนะเรก็ อ่าสามารถที่จะยอมรับอารมณ์เหล่านั้นได้เนะอ่าเราก็ไม่ทุกข์นะจริงๆแล้วเราหนีไม่พ้นหรอกอารมณ์ต่างๆนี่แหละเพราะว่าทุกคนเขาก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนดีร้อเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราไปเจอใครติดต่อกับใครเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีหรือเรียบร้อยทุกๆคนเนาะเพราะนั้นตรงนี้ยเราไปแก้ไขเขาไม่ได้นะอ่าบอกว่าออกไปแล้วใครจะมานินทาแล้วไม่ได้จะว่าเราไม่ได้จะด่าเราต่างๆไม่ได้นะเราทําไม่ได้เลยใช่ไหม แต่ว่าเหตุที่ว่าเราแก้ไขเขาไม่ได้นะแต่ว่าเราแก้ไขจิตใจตัวเองได้มากกว่าแก้ไขได้อย่างไรเพราะเรารู้ทันใจเราการรู้ทันเนี่ยมันเป็นการแก้ไขไปในตัวแล้วนะไม่ใช่แก้ไขให้เขาดีอะไรหรอกใช่แก้ไขเขาอย่าโกรธได้ไหมแก้ไม่ได้นะแก้อย่าโลภได้ไหมแก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแล้วเราจะไปแก้ไขอะไรใช่แต่เมื่อเรากระทบนะ เรารู้ทันไหมเออขณะนี้มีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมนะขณะนี้มีราคะเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมเนี่ยการที่เรารู้ทันนี่เป็นการแก้ไขแล้วนะอแก้ไขโดยการรู้ทันนั่นเองนะรู้ทันนี่ก็เรียกว่าการระลึกรู้หรือระลึกได้อันนี้คือสติแล้วสติก็แปลว่าการระลึกได้หรือการระลึกรู้ขณะนี้กาลังเกิดอะไรขึ้นในกายเราเกิดขึ้นในใจเราเนี่แหละคือสติแล้วนะ เราสรามารถยินย่าก็คือการที่เรารู้ตัวเรารู้สึกตัวนะตรงเนี้ยมันก็เป็นเหตุที่เรียกว่าเมื่อเรารู้สึกตัวมันก็จะเกิดการระลึกได้ตามมานะครั้นี้เมื่อเรารู้ขณะนี้มีความโกรธคือแล้วนะตรงเนี้การที่รู้ทันความโกรธเนี่ยมันใช้ได้เลยมันไม่ได้องไปแก้อะไรแล้วไม่ต้องโกรธแล้วต้องไม่มีความโกรธต้องละความโกรธเดี๋ยวนี้ความโกรธไม่ดีต้องจัดการให้มันหมดไปอันนี้ไม่ไมจําเป็น นะแค่เรารู้เท่านั้นเด่นค่ะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยแค่นี้พอแล้วถ้าเรารู้เฉยๆนะจริงๆแล้วถ้าเรารู้เฉยๆเขาก็ต้องดับไปอยู่แล้วใช่ไหมอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะไปจัดการหรือไม่จัดการในที่สุดเขาเกิดแล้วก็ดับอยู่แล้วแต่มาถึงเราไม่จัดการเขาก็ดับแต่เราไปจัดการเขามันจะมีตัวตวนว่าเราไปจัดการเขาได้จัดการให้เขาดับไปนะเราจะไม่เห็นความเกิดดับของเขาเองใช่ไหมแต่มันจะกลายเป็นว่าเราทําให้เขาดับเนี่ย ตรงนี้มันกลายเป็นตัวตนที่เราไปจัดการกับเขาแล้วเราก็เห็นความเกิดความดับแต่ถ้าเราสามารถที่จะอ่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆเนี่ยในที่สุดเขาก็จะดับไปเหมือนกันนะอเมื่อเมื่อก่อนนัเคยมีนักปฏิบัติผู้หญิงคนหนึ่งก็ก็มามาถามมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนโกรธเก่งมากโกรธไวแล้วก็โกรธโกรธเก่งะจะทําอย่างไร ก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันรู้เฉยได้ไหมให้รู้เฉยก็พอแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับเขานะเมื่อก่อนจัดการต้องเยอะแยะใช่ไหมเรื่องต่งตางๆอะไรที่เวลาโกรธเะอ่าเราจะไปจัดการทุกๆอย่างเลยก็หมดความโกรธใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องจัดการแล้วรู้เฉยเท่านั้นเองน ะ, ะต่อหลังต่อมาก็ก็ไปมีมีปัญหาลูกชายแล้วกโกรูลูกชายมากแล้วก็ด่าลูกชายด้วยความรุนแรงบอกวันวันนั้น <c oughs> เขาก็โกรธมากแต่ก็นึกถึงคําที่บอกก็ได้ว่าให้รู้เฉยนะ เขาก็ลุกเฉยไปก็ไม่จัดการมาสมัยก่อนก็มีวิธีจัดการเยอะเพราะว่าเคยปฏิวัติมาต้องนานแล้วอแต่ว่าเมื่อก่อนจัดการแล้วมันก็หายได้เร็วนะแต่ตอนนี้บอกว่าลองดูดิว่าลุกเฉยก็เห็นความโกรธมันเกิดเกิดมากๆนะแล้วมันก็ค่อยๆน้อยลงอระเดี๋ยวมันก็วนกลับมาโกรธมากๆอีกแล้วก็น้อยลงแล้วก็กลับมาโกรธมากๆเนี่ยแล้วบางทีมันก็หายไปนะแล้วแต่ละมันก็อีกสักพักมันก็วนเข้ามาในความคิดอีกก็โกรธอีก นะแล้วมันก็ค่อยๆน้อยลงแล้วก็หายไปเขาบก็เป็นงี้กือบทั้งวันเลยันเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายจนเขาจำสภาวธรรมได้นะจำสภาวธรรมได้แล้วปรากฏว่าความโกรธแรงๆชนิดนั้นนะ่ะแทบจะไม่กลับมาหาเขาอีกเลยมีน้อยมากที่จะกลับมาหาหรือแม้แต่ความโกรธเล็กๆน้อยเมื่อโกรธปั๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกมันเขาเริ่มจะรู้ทันละแล้วมันก็เบาลงน้อยลงแล้วก็จะหายเไยียงเร็วกว่าเกโดยที่ไม่ต้องจัดการก็ยังหายไปเร็วเลยเขาก็มาถามให้มันทําไมเป็นแบบนี้ ืบอกว่าเนี่ยเพราะว่าจิตมันจําสภาวะทาได้ถ้ามันโกรธบ่อยยิ่งวันหนึ่งทั้งวันมันโกรธบ่อยนะแล้วมันจิตมันก็จําได้ละเพราะมันรู้เป็นความทุกข์ใช่ไหมจิตเนี่ยมันฉลาดนะมันไม่ใช่มันโง่หรอกออืจิตไม่ต้องให้เขารู้เห็นบ่อยๆว่าตรงไหนมันทุกข์หรือความสุขเ้าก็เห็นว่าตรงไหนเป็นความทุกข์แล้วทีหลังเขาก็ปล่อยก็เองเขาก็รู้ว่าตรงนี้เป็นความทุกข์ก็ก็ปล่อยก็ไม่อยากที่จะโกรธนานหรอกใช่ไหมอืมเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าโกรธก็มีความทุกข์ก็จําได้เนาะ หลังจากที่ติตเขาจําสภาวธรรมได้แล้วเนี่ยเขาจะปล่อยก็เองนะเราไม่ยังไปปล่อยเราเขาก็ปล่อยตัวเองเพราะนั้นที่เมื่อก่อนตอนหลังต่อมาที่เขากดแรงๆทั้งหลายแล้มันไม่ค่อยมาเพราะว่าเราอ่าจิตมันจําได้แล้วมันก็ไม่เอาเองมันก็ปล่อยไปเองใช่ไหมปล่อยก็ปล่อยตัวเองนะเขารู้เป็นความทุกข์เนี่ยนะแล้วเป็นล้วก็เขาก็เห็นสภ า, าวธรรมเกิดดับได้ด้วยมันเกิดแล้วก็ดับทั้งวันนะตรงนี้มันเห็นเออตรงนี้มันมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับตรงนี้คือปัญญาที่จะว่าจะเห็น สิ่งใด้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไม่ธรรมดาสิ่งนั้นทั้งตัวมีความดับไปเป็นธรรมดาการที่เห็นสิ่งเราเนี่ยมันมกิตไหมก็เริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วว่าทุกอย่างไม่ไม่เที่ยงนะเ ป, นเป็นรูปเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวไม่ตนมันจึงเกิดระดับแล้วมันมันเป็นทั้งสติทั้งปัญญาภาในตัวเลยนะครั้นี้แล้วบางทีตรงนี้เราก็อาจจะเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมบางทีบางคนเคยอกหักเนี่ยรู้สึกอ ก, อกหักนี่มันมีความทุกข์มากนะ อ, อกหักมีความทุกข์มาก ไม่อยากจะพูดกับใครอยากจะอยู่คนเดียวเงียบอยากจะอยู่ในความคิดของเราเองว่าทําไมเป็นเช่นนั้นทําไมเขาทำกับเราแบบนี้บางทีมันก็กินข้าวไม่กิลงใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากแต่หลังจากนั้นเท่าถ้าขั้นที่สองแล้วนะมันจะเริ่มรู้ว่ามันมันมีความทุกข์แล้วมันก็ไม่อยากเป็นขั้งแรกมันก็เริ่มที่จะไม่ไม่ไปเข้าอารมณ์แบบตอนแรกต้แต่อนแรกเราก็เหมือนกับอ่าถวายกายถวายใจให้เราเข้าเป็นต้นนะตอนหลังมันจะไม่ไม่เริ่มแบบนั้นลมันเริ่มห่างหางมาเนาะ เริ่มที่จะมีชั้นเชิงนะเริ่มยับยับเป็นและถอยเป็นยับเป็นนะสมัยก่อนแล้วก็บุกอย่างเดียวนะแต่พอตอนหลังเรามีประสบการณ์แล้วก็ยับมั่งถอยมั่งเออมันก็ไม่ไม่เข้าไปตัวบแบบสมัยก่อนนะมันก็รู้สึกว่าอกหักมันก็ไม่ดีนะมีความทุกข์มันก็เริ่มเบาลงแล้วนะตรงนี้มันก็คือใจมันจําสภาวะธรรมได้นั่นเองว่าอกหักมันคือความทุกข์นะเพรา ะ, ะนั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะหลวงพ่อกำกิเลศก็บอกไว้เอง เห็ท<ก>นทุกข์ก็พ้นทุกข์ว่าเมื่อเรารู้จักความทุกข์แล้วบ่อยๆนะใจเขาจําได้เองนะ <ünd ar> เราไม่ได้ไปจําหรอกบางทีเราจําไม่ได้จําได้ไงบางทีเมื่อวานกินข้าวอะไรลืมไปเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าใจเขาจําได้เองนะเขาจะรู้อะไรตรงไหนมีความสุขมีความทุกข์เขาจาได้เองนั่นแหละยิงความทุกข์นะเขาจะจำได้แล้วก็อีกหน่อยก็จะปล่อยไเองเขาก็ไม่เอาเขาก็เขาก็าไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเขาก็ไม่ให้ค่าเนาะเพราะตรงเนี้ย การที่เราประสบความทุกข์มันไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะประสบความทุกข์โดยที่เราไม่ได้ไปจัดการเนีย่ยเขาให้เขาจาให้ได้นะตรงนี้ก็เหมือนกับเราเอาไปข้างนอกไปกระทบอารมณ์ใช่ไหมเราเรานีไม่พ้นหรอกการกระทบอารมณ์บ่อยๆแล้วถ้าจิตเขาจําเขาได้เองนะเขาต่อไปเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเรามีสติอยู่ไม่เหมือนกับแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยบางทีก็กระทบอารมทั้งวันนะเดี๋ยวลูกค้าต่อมากไปก็ด่าละอะไรเงี้ยไม่เอาก็ไปที่อื่นเลยอะไรเงี้ยด่าทั้งวันหรือไม่ก็ อะไรทั้งหลายแหละที่ว่าทําให้เกิดร่วมบ่อยแต่ว่าเขาจาไม่ได้หรอกใจก็ไม่เคยจำเพราะเขาไม่มีสติเขาไม่เคยมาฝึกสติเขาไม่เคยมารู้สึกตัวไม่เคยมาฝึกรู้กายรู้ใจนะเพราะฉะนั้นเขาก็ทําตามสัญชาติญาณ น, นะสัญชาติญาณของเขาเองอเขาก็ดา่าเขาตามสัญชาติญาณ น, นั่นแหละเนาะเพราะนนคนส่วนใหญ่ก็คืออยู่ด้วยสัญชาติญาณแต่ว่าการที่เรามีสติเนี่ยเขาเรียกว่าเราแก้ไขสัญชาติญาณก็คืออนุสัยกิเลสนะอนุใสกิเลหรือสันดานนี่แหละ การที่เรามาฝึกเจริตินี่เป็นการเริ่มที่จะแก้สันดานของเราเองแล้วนะมันจะเป็นการรู้ทันสันดานที่ไม่ดีของเรานะอเมื่อเรารู้ทันเนี่ยมันเป็นการแก้นุใสอิกิเลตในตัวเพราะตอนนี้มันคือการแก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุนะให้เขาให้จิตเนี่ยเขาจําำพอทําได้หลั้งเขาก็รู้เองว่ามันไม่ดีไม่เอาแต่เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เคยจําในตรงนี้ไงเพราะนุใสเนี่ยมันติดมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วนะมันก็คือถ้าเราไม่มีราคะโทสะโมหะตอนนี้เราก็ไม่ได้มาเกิดใหม่แล้ว แต่พอเรามีเราต้องมาเวียนไหวใจเกิดนะเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยจํำในตรงนี้ได้เลยจิตมันไม่เคยจํามันก็เลยไม่เคยเกิดการปล่อยการวา ง, วางการไม่ยึดติดเพราะงั้นะการที่เราไปกระทบรมเนี่ยมันได้รู้บ่อยๆนะรู้แล้วเราก็สังเกตเขาถ้าไม่ได้จัดการนะคือเรารู้เฉยๆรู้ซึกงๆนะครูบาอาจารย์ก็บอกรู้ซึ้งๆรู้เฉยๆเราจะเห็นภาวะที่เขเกิดแล้วก็ดับเองใช่ไหมเหมือนกัความคิดนี่แหละถ้าคิดปั๊บแล้วเราไปจัดการครับปุ๊บเขาก็ดับไป นะตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นความที่เขาเกิดดับเองแต่ถ้ามีความคิดเราก็ดูไปเฉยๆเราก็เห็นจริงๆแล้วเขาก็ต้องเกิดดับอยู่แล้วเราก็สังเกตก็ดได้เออเขาเกิดแล้วก็ดับไปนะเราเราจะไม่เห็นแต่เ้าเกิดก็ไม่เป็นไรเห็นว่าเรารู้ทันก็พอแล้วนะนั่นนี่แหละคือการรู้ทันสภาวะที่เขาเกิดและดับเนาะตรงเนี้ยเราก็จะเป็นต้นไม้ที่ว่าโดนแดดนะเราเราก็สามารถที่จะยืนสู้แดดสุ้ฝนแล้วเราจะโตเร็วมดีกว่าต้นไม้ที่อยู่ในร่มนะอันนี้เราไม่ได้กระทบอะไรนะ ครั้นี้หลวงพ่อกําเขียนบอกว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะคือคนเราเนี่ยเป็นเรื่องหลงอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราหนี้ไม่พ้นหรอกจะมาถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่ต้อมาเกิดใหม่มันต้องหลงอยู่แล้วนะหลงแล้วก็เมื่อมีความหลงมันก็ไปไปรักไปชังไปกลัวไปเกลียดไปมีรมต่างๆเยอะแยะเลยเพราะเรารู้ไม่ทันความหลงนะหลวงพ่อกคำแกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะ รู้ที่ไหน <c oughs> ก็กลับมารู้กายรู้ใจเราในแหละจ่มาใหม่ๆแล้วก็กลับมารู้กายเราก่อนจ่มายืนเดินนั่งนอนทั้งหลายแหละเนี่ยหรือว่าสร้างสิบสี่จังหวะนะตรงเนี้ยให้เรารู้บ่อยๆใช่ไหมท่านบอกว่าให้รู้อย่างไรให้รู้ตอนเนบลุกโซ่นะคำว่ารู้ตอนนบลุกโซ่คือพระอาจารย์เบญสารเคยถามหลวงพ่อเทียนตอนที่ไปอยู่วัสนามในใหม่ๆถามว่าผมจะบัดเวลาไหนมั้งครับหลวงพ่อเทียนมาว่าให้แปลว่าตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยก็คือ ให้ไปทั้งวันนะตื่นนอนเนีเ่ยก็นอนเลยแต่ก็คือเป็นการที่เรียกว่าเราอยู่ในชีวิตประจาวันนั่นเองนะเช่นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํซาซักผ้าถูบ้านต่างๆเราเนี่ยก็ทําในกิจกรรมอะไรก็ทําตรงนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่ากลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรเท่านั้นเองกลับมาเพิ่มสติรู้สึกตัวเข้าไปนิดนึงนะจากการที่เราทําด้วยความเคยชินเช่นเราแปรงฟันแล้วก็แปรงด้วยความเคยชินนะวันหนึ่งก็แปรง3ามสี่ครั้ง <m bell> แต่ถ้าแปลงด้วยความเคยชินนั่นแหละก็คือความหลงไปนะครับทกลับมารู้สึกตัวในการแปลงแปลงก็รู้สึกตัวมีความตั้งใจเพราะความเคยชินก็คือความที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันทำโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรากลับมาตั้งใจในการแปลงฟันนิดนึงก็จะเกิดการรู้สึกตัวขึ้นมานะหรือแม้แต่บางทีเราเหลี้ยวหน้านะเหลียวไปดูคนนึ่งเลี้ยวไปทั้งข้างมันก็เหลี้ยวด้วยความเคยชินแต่เราฝึกเหลี้ยวด้วยความตั้งใจดูมันจะต่างกันนะม่รู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะ หรือลองก้าวแรกนะเกี่ยวจากบ้านนะลองดูเมื่อก่อนเราก้าวได้อัตโนมัติหรือด้วยความเคยชินหรือคิดแล้วจะไปทํางานทันไหมรถจะติดไหมแต่ลองก้าวแรกลองก้าวด้วยความตั้งใจดูนะก้าวด้วยความตั้งใจออกจากบ้านก้าวแรกด้วยความตั้งใจแล้หลังนั้นก้าวต่อๆไปเราจะรู้สึกตัวนะก็คือเราต้มีความตั้งใจในการเดินการก้าวนี่แหละเขาก็จะว่าเราเพ่งก็ไม่เป็นไรนะมันจริงๆไม่ได้เพ่งเราเราแค่รู้ก็พอแล้วมะเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะ แต่เราเข้าใจปุ๊บเออมันไม่ต้องแพงมันก็รู้สึกตัวได้ใช่ไหมแต่ใหม่ๆมันต้องรู้สึกตัวให้ชัดนิดนึงหลังนั้นมันก็จะเริ่มมีความเคยชินในการรู้สึกตัวได้พอรู้เราก็รู้สบายๆรู้เล่นๆทําสบายๆทาเล่นๆเผลอมั่งรู้มั่งไม่ต้องไปรู้ตลอดเวลานะนี่แหละเพราะว่าคำว่าลูกโซ่หมายความว่าเป็นห่วงๆเป็นข้อๆไม่ได้เป็นเหล็กเส้นนะถ้ารู้ยาวๆรู้ที่เดียาวๆเลยรู้ครึ่งชั่วโมงไม่เปไหนอ่ะนะอันนั้นรู้แบบเหล็กเส้นนะตรงนี้มันมันไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเรารู้เป็นครั้งครั้งรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยรู้เป็นไข่ปลาอ่ารู้แบบไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันอ่ารู้แล้วก็เผลอได้อ่ารู้เล่นๆนั่นแหละมันอแล้วมันจะเผลอได้ตรงเนี้ยมันจะดีมากใชเผลอแล้วกลับมารู้ใหม่ในเบนการเรียกว่าสติมันจะไหวขึ้นนะเพราะเราเรียนแบบว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะอ่าไม่ใช่ว่าเราอ่าไม่คิดไม่คิดแล้วมันจะดีตรงนั้นนะไม่ใช่หลงพ่อเทวมยิ่งคิดยิ่งรู้เพราะว่าเราไม่ได้ความสงบ แต่เป็นการฝึกให้จิตเข้าตื่นรู้ให้จิตเขาตื่นตัวนะพตอนจิตท <Wow. S 1> ี so ่เคลื่อนไปคิดไปแต่ละครั้งที่เรู้ทัน่ะจิตมันตื่นตัวขึ้นมานะตอนนี้เป็นการเจริญสติโดยการให้จิตเข้าตื่นบ่อยๆตื่นรู้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เอาความสงบนะไม่ได้เอาความสงบแต่ว่าให้จิตเขาตื่นรู้ในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนาะการนี้เมื่อจิตเขาตื่นรู้ได้บ่อยๆแล้วจิตก็จะเกิดการตั้งมั่นขึ้นมานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไปใช่ไหม ตรงนี้เราก็จะเห็นอาการกายเขาก็เคลื่อนไหวเราก็เป็นผู้ดูไปนะเช่นเราเดินล้วก็รู้เราก็ดูกายเ็าเดินไม่ใช่เราเดินนะตรงนี้เราเห็นกายเ็เดินจริงๆแล้วก็กายเขาเดินนั่นแหละแต่เมื่อก่อนเราว่าเป็นเราเดินมันก็เป็นเราเดินแต่ถ้าเราดูเป็นผู้ดูเป็นนะเราก็ดูกายเขาเดินไปหรือดูกายเขาทำงานล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำถูบ้านกวาดพื้นมันกลายเป็นผู้ดูได้เลย ตรงเนี่ยมันมันต้องสังเกตรตรงนี้เป็นถ้่ากายจริงๆแล้วกลก็เดินเขาไกลทํางานอยู่แล้วเพียงแต่เราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองแต่เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปเข้าใจเป็นเรามันก็กลายเป็นตัวเราตลอดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นในตรงนี้นะตรงนี้ที่มีมีผู้มาถามหลวงพ่อ เ, เขียนบอกว่านะวันนี้หนูเครียดจังเลยหลวงพ่อบอกให้ถาใหม่ก็เลยถามว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดหลวงพ่อว่านาใช้ได้แล้วเนะี่ยมาก็คือการที่เราเห็นกับการที่เราเป็นมันมันต่างกันนะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองมืนก็เส้นผมบางบุกเขา ะแต่ถ้าเราแยากมาเป็นผู้ดูปั๊บมันจะเห็นแล้ตรงนี้มันกายมันเดินนะอตรงนี้กายไอตรงนี้จิตมันคิดนะหรือตรงนี้อ่จิตมันโกรธนะอตรงนี้จิตมันรักตรงนี้จิตมันชังตรงนี้จิตมันอิดชาตรงนี้จิตมันหึงหวงเนี่ยมันจะแยกมาเป็นผู้ดูเลยนะตรงเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเอ่เห็นไม่เป็นนี่แหละตรงนี้มันสําคัญมากหลวงพ่อบอกถ้าใครทําตรงนี้ให้เด่นนะอเป็นผู้ดูได้เด่นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นการก้าวหน้าในทางธรรม มันจะกลายเป็นผู้ดูไปไม่เป็นผบุเป็นนะมันจะแยกแยกได้แยกกายเป็นส่วนหนึ่งแยกใจเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งเราก็ดูกายก็ทางานไปดูใจก็นึกคิดใจก็มีลมมีความโกรธความรักความชังไปแล้วเราเป็นผู้ดูมันจะมันจะต่างกันที่เราเป็นต่างกันตรงที่เราอะมีความโกรธตรงเนี้ยมันต่างกันเยอะการที่เราเห็นความโกรธกับการทีเรา การที่เราเข้าไปในความโกรธกับการเราเห็นความโกรธมันต่างกันนะมันจะเบาต่างกันเยอะเลยนะลองทอนมานิดนึงตรงนี้ถ้าใครสังเกตตรงนี้ได้เราจะรู้ตัวว่าความทุกข์เราเริ่มลดน้อยลงไปแล้วอาจารย์คำลพลทบบุญนุ่มตอนท่านไปบัตถธรรมให ม, ใหม่ท่านก็มีความตั้งใจในระยะแรกมากเหมือนกันจนในประมาณสกักเกือบเบเดือนแล้วท่านก็นเริ่มไปเพ่งคือท่านเริ่มจริ ง, งจังที่ว่าต้องการที่จะได้ทํำมาเร็ว <c oughs> ท่านก็จริงอาจังโดยการที่เรียกว่าเริ่มเริ่มไปตั้งใจมากเริ่มไปเพ่งแล้วแต่ท่านรู้สึกว่ามันมันน่าจะไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นมีมีความมีความเรียกว่าอมีความตึงมีความเครียดมีความไม่ไม่สบายแบบสมัยก่อน <c oughs> ท่านก็เลยเปลี่ยนใหม่มามีการท่านก็นั่งพิกมือนอนพิกมือนะ่ะท่านกลายเป็นผู้ดูแทนวางใจสบายๆฮะเคลื่อนไหวภายนอกรู้อยู่ภายในภายในมันรู้ภายในน่ยมันก็เลยแยกมา เมื่อก่อนมันก็กลายเหมืนว่าท่านพลิกมือแต่ตอนหลังท่านแยกมาเคลื่อนไหวภายนอกแล้วมารู้ภายในตรงนี้ท่านก็เลยกลายเป็นผู้ดูไปนะดูกลายเป็นผู้ดูปั๊บเนี่ยมันก็เลยแยกกลายแยกใจออกจากกันเมื่อก่อนนั่นเห็นว่าเออกายใจมันก็ตัวเดียวกันแต่หลังจากที่ท่านแยกมาว่าเออกลายเคลื่อนไหวภายนอกใจเป็นผู้ดูเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วนะท่านเปิดมือมันก็ไอ้ยาหม่องเนี่ยขวดยาหม่องกาแฟยาหม่องมันแยกออกจากกันนะตรงนี้มันก็เลยแยกมาเลยว่า กายกอยู่ส่ว น, นกายใจ ก, ก็อยู่ส่วนใจกายพิการแต่ใจก็ไม่ต้องพิการด้วยกายมีความทุกข์ใจก็ไม่ต้องทุกข์ด้วยมันแยกมาเลยอืเป็นการแยกโดยสภาวธรรมและไม่ใช่ความคิดเนี่ยจากการที่ทําเป็นผู้ดูนี่แหละอันนี้พอหนึ่งเดือนทุกท่านก็เลยเข้าใจธรรมะท่านก็เลยบอกว่าลาลายจากความทุกข์แล้วจิตจิตสดใสไม่กายพิการเนี่ยตรงนี้ก็เกิดจากตรงนี้หนงังสือก็เกิดจากตรงนี้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือถ้าหากว่าบุไดแยกได้จะสังเกตเลยว่าความทุกข์มันจะน้อยลงมันจะต่างกันจากเมื่อก่อนเนาะ มันมันตรงเนี้ยมันสำคัญมากนี่เป็นการแยกรูปแยกนามนะคราว น, นี้ใจที่เขาเห็นสภาวธรรมที่มันแยกได้บ่อยๆนะมันจะรู้เลยว่าจริงๆนะคือเมื่อใจเห็นความคิดได้แล้วเห็นอารมณ์ต่างๆได้แล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วนะมันก็คือมันแยกให้เราดูแล้วมันก็จะเริ่มเห็นสภาวธรรมที่เกิดดับได้บ่อยๆนะความคิดเข้ามาแล้วก็ไปเพราะเมื่อก่อนเราก็เข้าไปในความคิดนะ เมื่อก็อนเรก็เป็นคำคิดก็ช่วยเอาคิดแต่เมื่อเราเป็นผู้ดูความคิดได้เราเห็นความคิดปั๊บเนี่ยความคิดก็มาแล้วก็ไปเราก็เห็นตรงนี้ได้ชัดเห็นเข้ามาแล้วไปเมื่อเห็นความคิดเข้ามาแล้วก็ไปเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ไปได้ด้วยเห็นความโกรธมาแล้วก็ไปเห็นความรักมาแล้วก็ไปเนี่ยตรงนี้มันสคัญมากเลยเมื่อเราเห็นได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาความเกิดความดับการมาและการไปหรือการที่เขาไม่แน่ไม่นอนมาชั่วคราวแล้วก็ไปตรงเนี้มันจะเป็นการเดินบัญญาในการเห็นความไม่เที่ยง เมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันมันเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเราเพอสบายทำมาก่อนเราคิดเป็นเราเราโกรเรารักเราชางังตรงนี้มันมันยึดเต็มที่เลยแต่เมื่อเราเห็นว่าเขามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับก็ เ, เป็นของชั่วคราวเนี่ยตรงนี้จิตเริ่มเริ่มเกิดการปล่อยวางแล้วนะเพราะนั่นเมื่อเห็นบ่อยๆเราจิตจะเกิดปัญญาขึ้นมาโดยการที่ให้จิตเขาเห็นนะไม่ต้องเราเไม่ได้ไปคิดเลยมื่มันเกิดมันดับ มันมาแล้วไปไม่ได้ไปคิดเราให้จิตก็เห็นเรา น, นเองนะหเห็นบ่อยๆจิตก็จะเริ่มเข้าใจเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตรงเนี้ยมันเป็นความไม่เที่ยงใช่ไหมนะเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราบังคับก็ไม่ได้ไม่แต่ความคิดนะเข้ามาแล้วไปจริงๆเลยไม่รู้ว่าอีกนาทีางหน้าก็จะคิดอะไรเลยนะมันจะเห็นว่าเออใจมันก็ทํางานมาเองไม่ใช่เราทํางานหรอกหรือลมต่างๆเราก็รู้ว่าความโกรธมันไม่ดีมันก็มันก็มีความโกรธเองไม่ใช่เราโกรธหรอก ตรงนี้ถ้าเราแยกมาแล้วมันมันจะกลายเป็นว่ามันมันเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นแล้วหลังนั้นมันจะกลายว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรของมันก็คือมันจะมาหรือมันจะไปมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมเมื่อก่อนมันมันยุ่งเกี่ยวมันเราโกดเราลักเราประช่าเราจะอาดีนะต้องจัดการกับมันย้ายกดย้ายักย้ายชังนี่แหละมันก็คือเราไปอะไรอะไรกับมันแต่เมื่อเราเข้าใจเนมันก็ไม่อะไรอะไรกับมัน เมื่อไม่อะไรอะไรกับมันแล้วก <hum> ็คือไม่เป็นอะไรอะไรกับมันก็คือมันจะดีก็ได้มันจะไม่ดีก็ได้ตรงเนี้ถ้าเราไม่อะไรอะไรมันมันจะเป็นผู้ดูจริงๆและไม่ไปจัดการกับมันมันจะเดินปัญญาของของมันได้เพราะในสุดมันก็จะสรุปได้เลยว่าเพราะว่าเราเราเราไม่เราไม่สมบูรณ์เรามีความบกพร่องแต่ความบกพร่องทั้งหลายไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของจิตนะจิตเขาบกพร่องไม่ใช่เราบกพร่องเราเป็นผู้มีหน้าที่รู้ความบกพร่องของจิตเท่านั้นเราไม่ต้องไปจัดการกับเขา เพราะว่าจิตมันไม่ยังเราอยู่แล้วนะกายและใจไม่เป็นตัวไม่ตนของเราอีกแล้วถ้าเรากลับมาเห็นตรงในตรงนี้ได้ปุ๊บจิตมันก็จะเริ่มคลายจริงๆนะเพราะนั้นความบกพร่องทั้งหลายเป็นเรื่องของจิตอสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็เป็นเรื่องของจิตหรือแม้แต่สิ่งที่ดีทั้งหลายก็เป็นเรื่องจิตมันไม่ใช่เราเราจะคลายจากความยึดติดว่าเออกายและใจมันเป็นของเรานะต้องทําให้เขาดีนั่นแหละมันยังเป็นตัวตนเราอยู่แต่ถ้าเราเห็นจริงๆว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ต้องจัดการมันเราจะเป็นผู้ดูจริงๆนะ มันจะไม่อะไรอะไรกับมันนะตรงนี้มันจะเข้าถึงสภาวะที่ไม่เป็นอะไรอะไรก็คือมันจะเป็นอะไรก็ได้มันจะดีก็ไ <dances> ด <our lives> <with S 2> ้มันจะชั่วก็ได้มันก็ออกมาเป็นมุดอู่นะมันก็ต่อบไปมันก็เข้าใจเออตรงนี้ผู้หญิงก็สมมตินะผู้ชายก็สมมุติพระก็สมมุติโยมก็สมมตินะมันเป็นสภาวะที่มันสมมุติเท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนหรอกมันก็เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติทั้งหมดคือของมันเองทั้งหมดเลยแต่เพียงแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็ไปยึดธรรมชาตินี้ว่าเป็นของเรา เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นตัวเป็นตนของเราแต่หลังจากที่เราเข้าใจธรรมะแล้วมันก็เข้าใจเป็นธรรมชาติก็คือไม่ยุ่งกับมันมันก็เป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นเองใช่ไหมธรรมชาติก็คือสภาวะที่เราจัดการกันไม่ได้เป็นไปตามเหตุตาปัจจัยนะมันไป็นไปตามอนิจจังทุกขังตาอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงพระลุงว่ากำเขียนก็เลยบอกว่ามีเขียนอยู่ที่สารนานะบอกว่าผู้ใดที่เข้าใจหรือเห็นธรรมชาตินะ ธรรมมก็คือธรรมชาตินั่นเองนะผู้ใดที่เข้าใจในธรรมชาติผู้นั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือความแปรปรวนแล้วก็เป็นน ต, ตา่าคือไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละคือธรรมชาติธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วในทุกๆสิ่งในในตัวเราในทุกๆคนในภูผู้เขาเรากาในธรรมชาติทุกอย่างในดินฟ้าอากาศทุกอย่างมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นนักตบาบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งสิ้นนี่คือธรรมชาติหรือเป็นสัจธรรมเพราะนั้นผู้ใดที่ตรงต่อสัจธรรมผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ผู้ใดที่ไม่ตรงต่อสัจธรรมผู้นั้นก็จะพ้นทุกชานะ้าเนาะเพราะนั้นการที่เราเห็นธรรมชาติก็คืออนิจจังทุกขังตานั่นแหละเราเข้าใจสัจธรรมแล้วแล้วเมื่อจิตเขาเข้าใจเขาจะเกิดการปล่อยการวางการยีนิสิดเราก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะนั้นท้ายที่สุดนี้เขอก็รัตนาบารมีคุณพระไตร น้อมนำลุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเหล่พันทุกท่านเถิด